อืมนกตามสะดวกนกตามสบวยอืมไม่ต้องอะไรนั่นเราขึ้นบทธรรมะแล้วก็อะไรไ ป, ไปไปไม่เป็นคุยกันเล่นๆไปๆอืมใจเอาคิดว่าเอ่อเชื่อว่าทุกคนนั่นฟังทำมาฟังกันหูเป็นรู้แล้วแหละ แล้วก็รู้หลักปฏิบัติทุกอย่างนั่งภาวนาแบบไหนโดนโยกนุ่มแบบไหนก็คือรู้หมดประเด็นคือทํายังไงจะมีแรงจูงใจอ่ะที่จะปฏิบัติได้สเสือต้นสเสมอปลายอ่ะนนั่นแหละคือคือคือโจทย์ที่จะตอบให้ตัวเองหาทางให้ตัวเองเ่ฟังทำรู้แต่รู้มากมันก็ไม่ดีมันเสืออมรู้มากรู้มากยากนานรู้น้อยพอยลอรำคัน เอาแต่พอดีออืแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้มากอืพระพุทธเจ้าไม่ใช่สึบมันปลอยไม่ใช่อริโตเต้นไม่ใช่นักคิดนักเขียนแต่เป็นนักปฏิบัติผู้ยิ่งใหญ่ถ้าเราอยากเห็นผลเหมือนพระองค์เราจะต้องย้อนไปสร้างเหตุเหมือนพระองค์ย้อนไปสร้างเหตุแต่มจะให้ก็ให้มันพอดีกับเราเนี่ยอืการปฏิบัติทำาการมาฝืนมาฝึาฝกฝึกความรู้ความเห็นของเราเนี่ย ความรู้ความเห็นเห็นมากี่พบกี่ชาติแล้วเห็นว่าอย่า ง, งานั้นดีเห็นว่าอย่างนี้ถูกจะทำทาตามความคิดทำตามความเห็นแต่มันก็ผิดผิดถูกถูกอยู่ทั้งทั้งที่ก็รู้ว่าถูกทั้งทั้งที่ก็คิดว่าดีแต่ก็ยังทุกข์อยู่ดีจริงทาไมทุกข์อ่ะหันมาดูตรงนี้เนี่ย ดูตรงนี้ในศาสนาพุทธการปฏิบัติพระเจ้าท่านสอนทุกอย่างเพื่อที่จะลดละความสําคัญมั่นหมายมมอืจากใดที่มีความสําคัญมั่นหมายอยู่อ่าคุณทุกแน่นอนสําคัญมั่นหมายมากทุกมากสําคัญมั่นหมายน้อยกับทุกน้อยความสําคัญมั่นหมายเป็นตัวกว่อมวลความสำคัญมั่นหมายมากความน่าเ น, น่ยของมวลก็มาก ความสำคัญมันหมายน้อยความนานนี่ขโมนกันน้อยถ้าไม่มีความสำคัญมันหมายเยก็ดีจะไดม้มีมีมวลมวลกิเลสเนี่ยกิเลสอืมอ่าเราก็มาปฏิบัติอืมในช่วงที่มีเวลาไม่ต้องใช้สมองมไม่ไม่มีอะไรที่มาเกี่ยวเนื่องมากมานั่งดูลมหายใจเข้าออกทำไมต้องมานั่งดูลมหายใจเข้าออกมานั่งภาวนาเนี่ยอ่าพจิตเนีย จิตคือธาตุรู้ไม่ต้องออกรู้อืมรู้ถ้าจิตอยู่ไหนอันนี้อ่ามันก็รู้ไปหมดมก็เลยให้มันรู้อยู่ใกล้ๆพยายามที่จะดึงมันมาให้มันอยู่ใกล้ตัวไว้อืมแก่ตัวท่านก็เลยต้องเอาคํามูิกรรมหรืออะไรอะ่รที่เราชอบอ่ะดูลมหายใจเข้าออกตอกกอบหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหรือจะอยู่กับคํำมริกรรมพุทโทธัมโมสังโฆอะไรก็ได้เนี่เป็นเครื่อมอยู่เกาะไวใ้ให้มากๆ อย่างที่เคยได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่ามาอ่าสอนมาทําให้มากจนกว่ามันจะเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งได้ให้มันรวมเดี๋ยวนี้มันไม่รวมอ่ามันไม่รวมไปอยู่ไห น, นก็ไปอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละเยี๋ยวอยู่ไหนอให้มันรวมเป็นหนึ่งมันก็จะหนีจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยใจกับทีนี้มันก็มาอยู่กับธรรมารมณ์จำจำเรื่องราวเนอดีต เ, เรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยมันตีลือนอยู่อ่าเราก็พยายามฝืน ยังฝืนให้มันเข้าสู่ความสงบให้ได้่ให้มันเห็ น, นเห็นชัดเจนถ้ามันเข้าสู่ความสงบได้จริงมันก็เห็นชัดเจนแล้วแหละตายแล้วไม่สูญเป็นยังไง่นในขณะที่มีแต่ตัวรู้ล้นลวนๆอ่ะอืมสารและพลังงานอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่อันหนึ่งเดียวกัน่ะมีตัวรู้ล้วนๆแต่ไม่มีแม้กระทั่งลมหายใจนั่นก็เป็นบทพิสูจน์แล้วตายแล้วไม่สูญในขณะนั้นมันก็จะไม่ทุกข์ ก็จะมีข้อมูลเปรียบเทียบว่าที่ไม่ทุกเพราะอะไรมันก็นมาสอน mm hmm. อ่ามันเปียบเทียบโดยปกติเราทุกทุกเพราะความสําคัญมั่นหมายออกไปสําคัญมั่นหมายนู่นนั่นนี่แต่มันไม่ไปไหนไม่ไปรักก็ไปชังไม่ไปอดีตกนะับอนาคตนั่นอืม mm hmm. ไปอยู่ตรงเนี้ยดึงมันมาถ้ามันไม่สําคัญมั่นหมายกับอะไรถ้าไม่มีอะไรสําคัญมั่นหมายเราหันน้อมเข้ามามีข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อจะให้มีข้อมูลเปรียบเทียบมันถึงจะต่อยอดในการปฏิบัติต่อไปเหมือนเราไม่เคยสัมผัสกับกลางคืนคุนคณเอาข้อมูลไหนไปเปรียบเทียบกับกลางวันไงคุณไมไ่เคยจะสัมผัสกับความสงบที่แท้จริงคุณเอาข้อมูลไหนไปเปรียบเทียบกับความฟุ้งซ่านแล้วจะไปเห็นโทษเห็นคุณของความฟุ้งซ่านได้ยังไงอ่ะมีแต่ว่ากันไปอืมศึกษาตำราก็ดูจากอ่าตำราเล่นนั้นเล่นนี้ศึกษาธรรมะจากหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ ก็รู้จักตัวหนังสือไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็รู้จักปู่นั่นลุงตานี่อยู่วันไหนปัญหาคือไม่รู้จักตัวเองพระพุทธเจ้าท่บอกเออให้นั่งดูตัวเองให้มากๆนะตัวเองความรู้สึกนึกจิดมันนึกอะไรมันรู้อะไรพยายามฝืนมันดึงมันมาให้สติที่เข้มแข็งขึ้นได้ถ้าสติเข้มแข็งขึ้นเมื่อไหร่จิตมันก็จะมีกำลังขึ้น จิตมีกําลังกระบวนการคิดวิเคราะห์ก็จะมีคุณภาพกระบวนการคิดวิเคราะห์มีคุณภาพมันถึงจะผลิตปัญญาที่มีคุณภาพให้ได้ปัญญาที่มีคุณภาพเท่านั้นแหะที่จะเป็นภูมิคุ้มกันจิตเนียอ่าไม่ให้เศร้ามองจากสิ่งเล่าที่ผ่านตาหูจะบุกลิ้นกายใจได้เนี่ยอ่าเรามีชีวิตมีประสาทสัมผัสคุณจะปฏิเสธสิ่งเล่าไม่ได้หรอกอ่าเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงคุณต้องเกิดความรู้สึกอ่ะแต่ความรู้สึกไม่ใช่กิเลส ความสําคัญมั่นหมายในความรู้สึกนั้นนั้นเป็นกิเลสทําไงเราจะไปดักทันละ่ะอ่าในเมื่อเราไม่มีปัญญาที่มีคุณภาพอ่ะอ่าเหมือนเหลนะ็กน่ะเอาวางไว้เฉยเดี๋ยวก็เป็นสนิมอืมเขาถึงทาสีกันสนิมกันเพื่อที่จะป้องกันสิ่งเล่าความชื้นออกซิเจนจะได้ไม่ทําอทําปริยากันเนื้อเหล็กโดยตรงโอกาสที่เหล็กจะเป็นสนิมก็น้อยอืมนี่เหมือนกันมาภาวนาเพื่อสร้างสติให้เข้มแข็งจิตจะได้มีกําลัง จิตมีกำลังกระบวนการคิดควิเครามมีคุณภาพมันถึงจะผลิตปัญญาที่มีคุณภาพให้ได้่ปัญญาที่มีคุณภาพอืมถึงจะเป็นกลุ่มคุค้มกันจิตได้คุณจะอยู่ท่ามกลางสิ่งเลาได้ดีขึ้นอ่แต่กระทบลูกคุณก็บทบเสียงเกิดความรู้สึก่ความรู้สึกเกิดขึ้นมาก็มีปัญญาแนบ ก, กับความรู้สึกนั้น่แอ่ะไม่สามารถไม่ให้ความรู้สึกไปทําปฎิยาโดยตรงได้ะไม่ได้ไปสําคัญมั่นหมายกับสิ่งเลาต่างๆได้อื มันก็ดีขึ้นาการประมวลผลหาบทสรุปได้เร็วเหมือนน้ากระทบใบบอลอ่ะใบบอนก็รับรู้ใบบอนสั่นไหวแต่ใบบอนไม่ได้รับน้ําไว้อะใบบอนถึงไม่เปียกแล้วอะไรเป็นภูมิคุ้มกันใบบอลขนระดับนาโ น, โนไงอือเหมือนกันอถ้าเรามีปัญญาที่มีคุณภาพมันก็จะเป็นแบบนั้นอืตาผ่านรูกใ ห, ให้เฉยหูผ่านเสียงให้ใหเฉยแต่ตัวประมวลผลอยู่ภายในที่จะนําทุกรู้สุกมาให้คุณอ่ะอ่าการประมวลผลมีคุณภาพ มันก็พิจารณาปล่อยไปวางไปปล่อยไปวางไปอ่าเป็นแบบนั้นตามองนู่นอ่าแต่สติู่จ้องที่นี่จ้องอยู่ที่จิตนี่จ้องที่จิตที่ใจของตัวเองนี่อ่ถ้าแก้แก้ที่จิตที่ใจนี่อะที่เราสวดมนต์เอฮิปัสิโกท่านลงมาดูธรรมเสดจอะไรคือธรรมอ่าตายเห็นนู่นแต่ความรู้สึกเกิดนี่แต่ความรู้สึกดีความรู้สึกไม่ดี ค ว, like ความรู้สึกทุกความรู้สึกสุขไอ้ความรู้สึกนี่แหละมันดูมันให้ดีละทีเนี้ยอันนี้เราคือทาแล้วรู้อย่างโยนิโสมันน่การพิจารณาให้แยกใครสิเนี่ยความรู้สึกดีความรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันเสถียรไหมมันจีรังยั่งยืนไหมคุณสําคัญมันหมายได้ไหมถ้าสําคัญมันหมายเนี่ยมันจะนำทุกหรู้สุขมาให้เน่ะพิจารณาให้แยกใครอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะสุขก็ไม่มีตัวตนทุก็ไม่มีตัวตนมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกอ่ะอืม ตั้งแต่เรามีชีวิตเนะี่ยจนกระทั่งหมดชีวิตมนะันก็วิ่งตามความรู้สึกอนะีกแหละวิ่งตามความรู้สึกอ่าก็เสือกกระสนดิ้นรนกันไปอืมทั้งชีวิตอืมแต่เพราะอะไเพราะจิตมันหลงจิตจะไม่รู้จำเป็นจริงอ่าจิตก็เบียงเบี่ยงไปตามความรู้สึกของตัวเองนะั่นแหละที่สําคัญมันหมายอ่าล้วก็มาผักดันให้ธาตขันก็เสือกกระสนอืมไปตามแรงเบี่ยงนั้นอ่าพอหมดลมหายใจเมื่อไหร่ รู้สึกว่าธาตุขันจะมีความสุขนั่นคนตายนอนเฉยนอนยิ้มใส่น้ำมะพร้าก่อนเข้าเมียนเฉยไม่เห็นทุกข์ตอนมีชีวิตรู้สึกจะทุกข์รู้สึกกะทุกข์มาดูซิอะไรทุกข์จริงจริงหรือจิตนี่แหละมันทุกข์ทุกข์เพราะมันหลงอหลงหลงยึดหลงถือหลงสําคัญนั่นไหมน่นนั่นนี่อ่าเป็นจริงเป็นจังพยายามที่จะบริหารจัดการโลกซึ่งพระเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นพระเจ้าชี้ให้เห็นเน่ะ ความเป็นจริงของสรรพสิ่งเนี่ยมันเป็นแบบนี้อ่าไม่ว่าเราจะมาเกิดหรือไม่มาเกิดมันก็เป็นแบบนี้อ่าเราตายไปเดียวนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เราไม่มาเกิดเลยมันก็เป็นแบบนี้ไม่ว่าเรื่องของคนสัตว์หรือว่าสิ่งของมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วถ้าคุณจะไปอ้างว่าคุณทุกข์เพราะเรื่องนับเรื่องนี้ี่ยชาติหน้าชาติต่อไปอีกหลายๆชาติคุณก็ยังจะทุกข์อยู่อืมเพราะมันมีอยู่แล้วตั้งแต่คุณไม่เกิดอ่ะคุณตายไปเดียวนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยพระเจ้าพยายามที่จะบอกสอนเรา ให้รู้จักบริหารจัด ก, การให้อยู่ร่วมกับสรรพสิ่งแบบนี้ให้ได้อืมถ้าคุณอยากมีความสุขเพราะคุณไม่สามารถไปบังคับสรรพสิ่งให้ได้ดังใจคุณคุณมีสิทธิ์เพียงแค่รู้จักบริหายจัดการให้อยู่ร่วมกับมันให้ได้มันเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนีย่ยไปอ้างอยู่ที่ทํางานกับที่ทํางานเราไม่ใช่ที่อยู่ภาลัรหันนะะคนมีกิเลส ด, ด้วยกัน่ะเขาก็มีกิเลสเราก็มีกิเลสเดี๋ยวจาเป็นต้องอยู่ด้วยกันจะทํำยังไงละ่ะอืม คุณไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาไม่ให้มันละเมิดคุณได้คุณมีสิทธิ์เทียงแค่รู้จักบริหารจากการตัวเองอย่าไปละเมิดเขาเพราะมันจะนำทุกข์มาให้ทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าเนี่ยที่พระเจ้าท่านว่าอ่าเราก็น้อมเข้ามาเตือนตนเองอยู่ตลอดน้อมเข้ามาอ่าเอฮิตาสิโกอ่าน้อมเขามา้มเขามาดูทมตากระทบรูปเกิดความรู้สึกหูกระทบเสียงเกิดความรู้สึกดีใจมั่งเสียใจมั่งอ่าแล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งนั้นนหละม่เที่ยงคุณเสะ แต่คุณไปสําคัญ allora, มั่นหมายเมื่อไหร่อ่ะนี่คุณทุกแน่นอนความรู้สึกดีคุณก็ไม่อยากให้มันเสื่อมสลายแล้วชอบแบบนี้อยากให้เป็นแบบนี้อยู่ตลอดคุณคทุกแน่นอนเพราะมันไม่เที่ยงหรอกน่ะเนี่ยมันก็เสื่อมสลายไปนี่พวกนี้อาจจะไม่ใช่เป็นแบบนี้ะความรู้สึกไม่ดีเนีนน่ยสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคุณก็ไม่อยากสัมผัสอยากฝากสให้ไกลห่างน่ะคุณทุกแน่นอนอน่ะอนืมคุณจะไปห้ามมันไม่ได้เหมือนคุณอยู่ในโซนนี้ของดาวดวงนี้คุณจะไปฏิเสธกลางวันหรือกลางคืนไม่ได้ อืคุณจะต้องเจอกับมันออืแล้วจะทํายังไงแล้วเมื่อมังคืนจะเป็นยังไงมันมืดก็จะต้องหาไฟสิเนะี่ยแต่กลางวันเป็นยังไงมันร้อนคูณจะทําไงมันจะเย็นนะคุณจะต้องบริหารจาัด ก, การตัวคุณจะไป บ, บริหารจาัดการสรรสิ่งบอกไม่ได้ไม่ได้ไไดหันมาฝึกฝึกที่จิตจิตเป็นตัวสาคัญมั่นหมายคนตายแล้วไม่ทุกข์หรอกอแต่ไอ้จิตที่ไม่เคยตายนี่แหละทุกข์จิตที่ไม่เคยตายนี่แหละกังวล แต่วิตกเรื่องนุ่นเรื่องนี้อ่กลัวเป็นนุ่นกลัวเป็นนีทั้งทั้งที่มันไม่เคยตายอด้วยความหลงแต่ร่างกายนี่เป็นตัวที่เสื่อมสลายอยู่แล้วอือ ม, อมเขาไม่ได้มาทุกข์เลยแหละอืมออมันพร้อมที่จะเป็นอยู่แล้วอะาเพราะมันไม่เที่ยงยโดยแต่เริ่มมันก็ไม่ใช่เราแต่ด้วยความหลงเราก็มาสําคัญมั่นหมายผมคนเล็กฟันหนังตัดปอดม้ามไตอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือเราอืมโอเคตามสมมุติแล้วเป็นเราล่ะ อืแล้วเราก็ต้องเคารพสมมติถ้ายอมรับตามสมมุติว่านี่คือเราอ่าก็เคารพสมมุติอหาอาหารการกินทําความสะอาดอะไรก็ว่ากันไปดูแลรักษากันไปแต่สกักวันหนึ่งมันจะต้องเสื่อมสลายนะเพราะแต่เริ่มมันก็ไม่ใช่เราอ่าถ้าคุณมีจิตเนะที่มีคุณภาพคุณก็ไม่เบรคสำคัญมั่นหมายมันมากในเมื่อจะเสื่อมสลายก็ยอมรับโอเคไม่ติดในสมมุติคุณก็ทุกน้อยหน่อยออะืมหรือไม่ทุกเลย อแต่ถ้าคุณไม่อยากเสริมสลดยอ่ะอยากให้มันเป็นแบบนี้ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นน่ะอทุกแน่นอนเพราะมันจะต้องเป็นแบบนี้อ่าผมเรานี่ยบังคับไม่ให้แตกปลายได้ไหมล่ะไม่ให้ร่วงได้ไหมล่ะไม่ให้มันงอกมันขาวได้ไหมล่ะอ่ามันจะเป็นแบบนั้นเนื้อหนังไม่ให้มันเหี่ยวได้ไหมล่ะมันเป็นไปไม่ได้คือมันจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็น้อมเข้ามาเนี่ยมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรม ก็คือพยายามคอนโทรลความรู้สึกของคุณเนี่ยให้มันพอดีเดี๋ยวนี้มันไม่พอดีมันไม่ไปรักมันก็ไปชังไม่ไปอดีตก็ไปอนาคตเราตึงมาปฏิบัติธรรมธรรมะโดยหลักการคือหน้าที่โดยสภาวะคือความพอดีพยายามคอนโทรลความรู้สึกให้มันพอดีซะน่ะอ่าถ้ามันเป็นมันพอดีมันก็ไม่ทุกมันไม่ทุกมันก็เป็นธรรมธรรมคือความพอดีโดยสภาวะภาวนาไปว่าเจริญจะให้มันเจริญเจริญในจิตในใจเรานี่ เนี่ยถ้าจิตใจเราจะเลือนมันก็รู้อะไรควรอะไรไม่ควรอ่าอะไรจะนําทุกมาให้อะไรจะนําสุขมาให้อ่ามันจะต้องรู้อือ่าเรายังมายึดติดแต่กิริยาการอ่าวันนั่งท่านี้คือภาวนาเดินท่านี้คือภาวนาอเช็กดูด้วยผลของการภาวนาภาวนาไปว่าจะเจริญอ่ามันจะเลือนที่จิตจิตคือท่านรู้รู้อะไรอยู่ทีเนี้ยอ่าอ่าดูซิมันจะเลือนไหมนะเนี่ย ม, มันหาแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้มาให้ตัวเองอ่าเล่าร้อนอยู่ ตลอดเวลาสำคัญมั่นหมายนู่นนั่นนี่อยู่มันก็ถือว่ามันไม่เจริญมันยังนำทุกข์มาให้ตัวเองมันยังเอาไฟมาเผาตัวเองอยู่อ่าก็แสดงว่าเรายังปฏิบัติทำไม่เป็นคือยังไม่พอดีอยู่ไม่รู้จักความพอดีเนี่ยคุณปฏิบัติได้ทุกที่อยู่ที่ไหนก็ได้อ่าถ้าไม่มีสิ่งเล้ามาเกี่ยวเนื่องที่จะต้องใช้สติปัญญามากก็อยู่กับคำบริีกรรมอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่อะไรกัน ใใ่ให้ใจเขาพูดให้ใจตัวเอาคําบริกรรมตะลอมจิตไว้อ่าแต่อยู่ท่ามกลางสิ่งเลวร้าที่ทํางานอยู่ในสังคมเกี่ยวเนื่องเนี่ยอ่าคุณจะต้องใช้ปัญญาล่ะนะที่จะคอยบริหารจัด ก, การความรู้สึกให้มันพอดีให้มันพอดีคือไม่ให้มันโดดไปรักมากไม่ให้โดดไปช่างมากอ่าไม่ให้ไปอดีตเปอนาคตประมวลหาบทสรุปมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตเวลาทํางานจะทํำยังไงอ่าตัวรู้มีหนึ่งเดียวคุณจะให้รู้ยากัอะไร ดูหนังสือกันอยู่กับหนังสือทําำเอกสารอยู่กับเอกสารทําความอยู่กับความคุยกันสนใจพูดสนทนาถ้าไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องอ่สุดลมให้ใจเบี่ยงเบนความรู้สึกครั้งของครั้งพอสบายใจกันหายใจเข้าพูดหายใจออกถอดประคองจิตอยู่อย่างนั้นน่ะให้มันอยู่กลางๆนี่อยู่วงกลางมันแว บ, บไปก็ดึงมาแวบบไปก็ดึงมานัา่นคือการฝืนการฝึ ก, ฝกยืมมันไว้ อ่าแต่จะไม่ให้มันไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้อีกแล้วล่ะมันเป็นท่ารู้จะต้องออกรู้เหมือนเราขับรถอ่าคุณคุณต้องดูถนนเป็นหลักแต่คุณจะปฏิเสธอารมณ์เลาอื่นไม่ได้ล่ะอ่าเดี๋ยวก็คุณก็จะต้องมองกระจกมองข้างกระจกซองหลังอ่าเดี๋ยวก็จะต้องระวังคันนั้นจะสวนมาเดี๋ยวจะต้องประเมินว่าจะแซงคันนี้ผ่านไหมหลากหลายอารมณ์ลุ้มเล้าคุณแต่คุณไปถึงที่หมายได้เพราะอะไรเพราะรู้ระวังไงะช้ำเลืองมองกระจกรู้แล้วก็ว่าวางอารมณ์นั้นก็มาดูถนนวางอารมณ์นี้ก็ดูถนน อ่าจะประคองกันไปมันก็ถึงที่หมายได้ออ่าแต่คุณดูกระจกอย่างเดียวหรือคุณเราเอาดูคันรถคันนั้นสวนมาเน่ะมันยี่ห้ออะไรมันทะเบียนอะไรมันจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวรถคุณก็ตกถนนอืมนี่เหมือนกั น, น, น, น, นกเอาไปจะหมูกเป็นถนนเลยเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจพูดเลยแล้วก็แวบเรื่องนู้นแล้วก็แวบเรื่องนี้รู้แล้วก็วางวางอารมณ์นั้นก็มาอยู่อารมณ์นี่อยู่พูดพูดพูดพูดิี่จ่ออยู่ฝึกอยู่น่าฝืนไปน่าฝืนบ่อยๆเ ข, าเขา้าสติดด ตัวรู้มันก็เริ่มเข้มแข็งเองอ่ะสติเข้มแข็งอ่าจิตก็จะมีกําลังกําลังอืมอ่ากระบวนการคิดวิเคราะห์ก็จะมีคุณภาพอ่าถ้าประคองเข้าไปสู่ความสงบได้ก็ยิ่งดีอ่าแต่ไม่ถึงกับความสงบอย่างน้อยก็รู้จักเบรการำลุไม่บ้างอืมรู้จักยับยั้งชั่งใจที่เป็นธรรมชาติรู้จักผิดหวังให้เป็นอืมมันก็ ย, ยังจะเป็นประโยชน์อยู่ กับการดำรงชีวิตยอยู่ท่ามกลางสิ่งเลวรที่ซับซ้อนวุ่นวายแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยเนี่ยพยายามก็อยู่แบบนี้แหละในมุมมองของอะพระป่าไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้เรียนมากนั่งดูลมหายใจเข้าออกเป็นพื้นทำยังไงก็เข้าสู่ความสงมบ อ, ออกเกี่ยวกความสงบแล้วค่อยมาพิจารณาแต่บางทีนี้ถ้าไม่มีปัญญาพื้นฐานยังไงก็ทาจิตให้สงบไม่ได้ มันจะต้องมีปัญญาถึงจะสามารถจะล้องจิตเข้าสู่ความสงบได้แต่ถ้าไม่มีความสงบเป็นฐานรองรับบอกไม่มีทางที่จะผลิตปัญญาที่จะรู้รอบในกองทั้งขานได้มันก็เป็นปัญญาที่ต่างขาวะกันแต่ทีนี้ปัญญาพื้นฐานกันนี่แหละอย่างที่พวกเราได้ศึกษาตามตำหรับตำราฟังพแม่ครูบาอาจารย์มาบันทึกไว้ในสมองก็เป็นสัญญาเป็นสัญญา ทีนี้ก็พยายามที่จะมาแปลงสัญญาณให้มันเป็นปัญญาอ่าทีนี้นั่งดูสินั่งให้นานนั่งให้นานเจ้กับฟูทายเจ อ, อกโทโธคิดว่าท่านให้มันนั่งนานเพื่ออะไระเพื่อที่ให้มันทุกข์หน่อยเนี่ยอาริยสัจสี่ไม่มีคํามเมื่อสุขมีแต่ทุกข์กับความดับทุกข์นั่นทุกข์กับความหับทุกข์แต่ทีนี้เรามาปริบัติธรคิดได้ว่ามันนั่งแล้วมันจะสบายได้ชานได้แชนอะไรว้ากันไป อถ้ามันไปถึงนั่นมันก็โอเคแต่กว่าจะไปถึงนั่นล่ะอ่าทําแท้สัมผัสที่ใจอืมแต่จะไปสู่ใจมันจะต้องผ่านเลือดหนังเอ็นกระดูกล่ะอ่า้หนังเอ็นกระดูกอ่สิบนาทีสิบห้านาทีกำลังฟุ้งซ่านอืมต่อจากนั้นก็ง่วงเหงาหาวนอนอืม่หานอนทีนมิทะเพราะอะไรเพราะยังไม่รู้ตามเป็นจริงอืมเลยอุทจักกุกจักฟุ้งซ่านลำคานใจอยู่ฝืนพยายามฝืนอืมเ็น อ่เดี๋ยวนี้มันอีิรียบทมันบังทุกอยากนั่งก็นั่งอยากนอนก็นอนอยากทําอะไรก็ทํามันเลยไม่เห็นทุกชัดพุทธเจ้าให้มานั่งเพื่อที่จะให้เห็นทุกชัดฝุ่งสร้างก็ไม่ต้องไปตามมันง่วงอย่าหลับตาถ้าหลับตาปุ๊บมันจะเข้าระวังอืมเข้าระวังมันก็จะสงบอ่ามันนั่งมันจะเป็นไก่มันนิวคลสินหรไก่เป็นนิวเคลสินตังถ้าฝืนนะเราไม่ได้มาตามตามใจเราอ่าอืมดูพุทโธพุทโธยื้อนป็น อ่าถ้าเรามีสติอยู่ก่อนที่จะสงบมันจะต้องรู้ถ้ามีสติอ่ามันจะรู้สึกเสียสมดุลอืมแต่สมดุลปุ๊บลืมตารีบตัดบทลืมตาจับอยู่จุดใดจุดหนึ่งอ่าแต่อย่าหันหน้าหันหลังที่สําคัญคืออย่าพลิกอย่าดิน้น อ, อย่าพลิกอย่าดิน้นฝืนเข้าไปอ่าสติเราเรื่องรู้เราเมตใจเข้าออกสมัมผัญญากรู้อยู่ว่าเราดืนตานอ่าจับอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่เราถนัดน่ะอ่าถ้ามันรักษาสมดุลได้แล้วก็ค่อยๆหลับตาไป อหายใจเขาปุ๊บหายใจอุทว์อ่าแวบไปไหนก็ดึงมันมาอยู่นี่แหละจะรู้สึกเสียสมดุลหลงเหลงควงเชงปุ๊บเนี่ยรีบลืมตาตัดบทไม่งั้นมันจะสะพังงกยื้อกันไปอ่าถ้าเราฝืนต่อไปอ่าถ้ามันยังไม่สงบเดี๋ยวมันก็เป็นเด็บเจ็บปวดแหละนะแต่มันเป็นเด็บเจ็บปวดดีอือ่าเพราความฟุ้งซ่านเรื่องไกลๆมันก็จะเริ่มเดือนอ่าความ่วงเหงาหาวนอนนี่ยิ่งปวดมากยิ่งไม่มีเลยอยากให้มีก็ไม่มีอ่ายิ่งปวดมาก อทีนี้ก็คำ บ, บริกรรมก็จะเป็นภาระกังวลเป็นบริพเทศปวดอ่าก็ดูที่ว่ามันปวดที่ไหนมากเจ็บที่ไหนมากอะอะาสติปัฏฐานสี่ท่านนำมาใช้ตอนนี้แหละแยกสติปัฏฐานสี่แยกองค์ประกอบของรู ป, ปรนามนี่แหละเหมือนนักวิท ย, ยาศาสตร์แยกองค์ประกอบของของน้ํา่ะเำของเหลวชนิดนี้เมีที่ไปที่มายังไงหาแต่องค์ประกอบของน้ำํำ H2O มีคุณมีโทษแบบไหน มันพระปฏิบัติอีกนี่แหละสติปัฏฐานสี่คือแยกองค์ประกอบของรูป ก, กับนามนี่แยกหนุษินี่เวทนามันเกิดแล้วนี่ชัดเจนแล้วนี่นี่คือสภาวะทุกอ่านี่คือเวทนาอะไรเป็นเวทนาเนื้อหนังเย็นก็ะดูกเป็นเวทนาหรือไงอ่าพิจารณานะนะัเนี่ะสัญญาต่างๆที่เคยได้ยินได้ฟังมาเนะ่ยเอามาใช้กับมาใช้ตอนนี้เลยจะไปใช้ตอนไหนละ่ะนะเหมือนหมอรักษาคนไข้รักษาตอนป่วยอ่ะอไปรักษาตอนไหนไม่ใช่เออให้คนไข้กลับบ้านก่อนหายแล้วก็มาคุยกันนะ ในี่อย่ามาพิจารณาเนี่ยมาพิจารณาทุกตอนไหนกับตอนที่มันทุกข์เนี่ยตอนที่มันสุขจะมาพิจารณาทุกยังไงพระพุทธเจ้ามาเกิดเห็นไืมทําไมท่านไม่เกิดเป็นเทวบุตรอยู่สวรรค์ชั้นบูรสิตแต่ท่านไม่บรรลุที่นู่นเลยอ่ามันจะไปบรรลุได้ยงไงถ้าพูดเรื่องทุกข์คนมีแต่วความสุขจะเอาข้อมูลไหนไปเปรียบเทียบท่านต้องมาอาศัยธาตุขันธ์ของมนุษย์เนี่อธาตุขันธ์นีาย เป็นตัวสะท้อนทุกข์ให้ไม่ได้เห็นทุกข์จะได้หาสมุทัยความคิดที่จะหาสมุทัยนั่นหลำมักผลของมักนิรอะอืมมันเป็นเหตุสองผลสองพระพุทธเจ้ากี่ล้านพวกมาจัดสรู้อันเดียวกันสมุทัยเป็นเหตุผลก็ทุกข์มักเป็นเหตุผลคือความดับทุกข์ประมวลมาแล้วกันนี่แหละสามอย่างทานศีลธรวนาน่มักแปด ่ถึงที่สุดกับรักษาสติตัวเดียวเนี่ยนะถ้าไม่รู้จากทานไม่รู้จากรักษาศีลไม่รู้จากภาวนานั่นแหละสมุทยัยอนาคตของคุณทุกแน่นอนในเมื่อเรารู้แล้วทีนี้กับประมวลหาบทสรุปซิเนเราจะทานรักษาศีลภาวนาขนาดไหนถึงจะพอดีกับเพศภาวะสถานะกาละเจสสะของตัวเองออ่ะืมาพิจารณาดูน้อมเข้ามาฝืนเอาในขณะที่ยังมีชีวิตอืม ในขณะที่ยัมีชีวิตเราเกิดมาอยู่ในภูมิประเทศที่เบิอกอ่ะประเทศไทยนี่ในทางภูมิาศาสตร์เบิกที่สุดหละในดาวดวงนี้นะ่ะอีมปัญหาเดียวของประเทศนี้ก็คือมีคนไทยมาเกิดอ่นะอืมจะเป็นอย่างนั้นอืมเราพิจารณาเอาปฏิรูปรเดียสวาโซจันนี่อย่างภูมิประเทศที่ดีมากในทางภูมิาศาสตร์ก็ดีมีศาสนาปริยัติปฏิบัติปฏิเวศศาสนาพุทธน่ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองที่สุดละในยุคนี้ของอ่า ของประเทศนี้อ่าอยู่ที่เราจะน้อมเข้ามาขนาดไหนน้อมเข้ามาขนาดไหนนะดูเอาเป็นเรื่องของใครของมันอใครจะเห็นดีเห็นงามเลยก็ซาทุอใครไม่เห็นดีเห็นงามเลยก็ซาทุเรื่องของใครของมันอ่าพุทธเจ้าสอนคนที่รู้อ่สอนที่ฟังคนฟังรู้เรื่องอ่าแล้วก็นําไปปฏิบัติเอาหรือไม่นําไปปฏิบัติเอาก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะที่เนี้ยอท่านไม่ได้ประกาศศาสนาให้อิฐหินปูนไส่หมูหมากาไก่ ืประกาศศาสนาให้คนนี่แหละนและแต่ทีนี้ก็ผ่านมาก็สองพันหกร้อยกว่าปีนะมันก็จะต้องแปรเปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องของสิทส่วนบุคคลอะคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเอ่พระองค์นั้นไม่ดีพระนี้มปนเรื่องของใครเพรามันไม่ได้ตกนรกแทนกันหรอกอืมเรารู้ว่าสิ่งใดดีคุณเราก็รีบทําเอาอตัวอย่างที่ไม่ดีก็เอาไว้เป็นอุทาหรณ์อย่าไปทําแบบเขาไม่มีหน้ า, าที่ไปซ้ําเติมเขาไม่มีหน้ า, าที่จะไปจับผิดเขาเสียเวลาอ่า ความเร็วความชัว่วมัคงอื่นเขาอาจจะเร็วจริงอ่าเขาอาจจะผิดจริงแต่คุณไม่รู้จักระวังจิตคุณอย่าไปทุกข์กับเขาเน้น่ะอืมทั้งทั้งคุณคิดว่าคุณเป็นคนดีเอ่าแต่ดีจริงเอทําไมคุณต้องไปทุกข์กับคนเร็วอืมคนเร็วมนันน่าจะทุกข์กับเราอืมอืมดีแบบไหนทีนี้อ่าถ้าดีจริงกัเฉยพระพุทธเจ้าหมดกิเลสแล้วถ้านก็ บ, บินทวารฉันกับคนมีกิเลสอ่าอ่อท่านก็อยู่ร่วมกับคนมีกิเลสเมตตาคนมีกิเลส กับพยายามที่จะไปบอกสอนคนมีกิเลสเนี่ยเขาองค์ไม่ได้ว่านะเอพระละหันอยู่ในทางทิศใดแต่ถาเขาจะไปโปลดท่านกับหมองหาคนมีกิเลสเนี่อืมแต่เรามีกิเลสอยู่เต็มหัวใจเนี่ยยังคิดที่จะไปลังเกียดกันอยู่นี่อดิคงไม่ดีมั้งแก้แก้ที่เรานี่ยคนนั้นทําไม่ดีนั้นเอมันมีกิเลสอยู่กับเป็นแบบนั้นเลยบุญเนาะเรายังไม่ได้คิดที่จะไปทําแบบมันได้อืม แนวคิดแบบนั้นมันต้งอยถูกมันไม่ดีอย่างงุ่นไม่ดีอย่างนี้เอามายกตัวอย่างอ่ยเรื่องของใครของมันถามว่ารู้จั ก, จกไหมว่าอะไรดีถ้ารู้จักจกระทำซะสิอืออ่าเป็นแบบนั้นแต่ส่วนมาก ม, มันเรียนมาศึกษาพอรู้อะไรดีอ่าพอรู้อะไรถูกแล้วเก็บไว้แล้วก็พยายามที่จะไปอ่าบริหารจัดการโลกอย่างนี้อยากสอนคนนูน้นอยากไอ้นั่นคนนี้อ่ากวาดตามองคนนั้นมองคนนี้ไอ้นั่นไม่ดีอย่างนั้นไอ้นี่ไม่ดีอย่างนี้ อันนั้นอ่ะอัสวะจะเกิดตอนนั้นนะ่ะตอนที่ส่งจิตออกนอกไปดิ้นนั่นนะไปเพ่งโทษจับผิดคนอื่นนะดนะูกิเลสที่นี่อยากเห็นกิเลสนี่แหละหน้ากิเลสตัวที่ออกไปดิ้นพันธาพันธ์ยนังนั้นอนะ่านะนะมีสติมีปรรัญญาจะรับมันไว้หนิวบคุมมันไว้อย่าให้มันออกไปเพ่นพ่านนะอ่านวะนะบคุมแล้วก็สลายมันไปอืมมัน ม, นมนถถัถึงจะถูกจนะถูกสาหรับผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปเบาไปปล่อยไ ป, ป, ยไปวางไปมันถึงจะถูก อ่ายึดไปถือไปหนักไปเรื่อยๆนั่นไปเพาะกิเลสมาไปสะสมกิเลสมานั่งเพราะกิเลสเดินเพราะกิเลสอ่าอ่าถ้าเป็นนั่งสำรอกกิเลสเดินสำลอกกิเลสมันต้องเบาไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยดูแต่ตัวเองปีติอิมอ่มเอิบอยู่กับตัวเองอ่าเราคนอื่นก็โอ้ยเรื่องของใครของมันนั่นแหละไม่อยู่ในวิสัยบอกสอนอย่ไปละเมิด อ, อ่าเดียวจะเป็นแบบนั้นถ้าคิดว่าจะบริหารจัดการตัวเองอ่ะอ่าไม่ทุกไม่ทุก ทั้งโลกนี้แล้วก็โลกนัอนอืมอ่าเมือ่มอสักครู่เห็นพระอาจารย์บอกว่าเมื่อนั่งถึงระดับหนึ่งนะฮะมันจะมีทุกขเวทนาเข้ามาอใช่เอ่อแล้วพระอาจารย์บอกให้ใช้สติปัฏฐานสี่เนี่ยในการแยกรูปนามใช่เอ่อคื อ, อสภาวะที่เกิดตรงนี้มันจะเป็นทุกครั้งของการ นั่งนั่งสมาธินะคะคือพอทุกขเวทนาเกิดแล้วขั้นจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าขั้นตอนต่อไปในการที่เราจะหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าให้มองทุกขเวทนาด้วยที่กําลังเกิดอยู่ณตอนนั้นแล้วต้องทําอย่างไรต่อไปคะท่านถึงจะเข้าสู่ความสงบออืเพราะว่าจิตจิตที่มีทุกขเวทนามันเหมือนกับต้องดิ้นรนมันเหมือนต้องสู้กับเวทนานะคะมันเหมือนไม่สงบคือขั้นตอนปฏิบัติ วาดวางจิตอย่างไรถึงจะแยกแล้วทําให้จิตเข้าสู่สภาวะสงบซึ่งบางครั้งมันก็ทําได้แต่มันทําได้ไม่ไม่ทุกครั้งอะค่ะอืมอืมถ้ามันเคยแล้วไม่อยากหรอกที่มันยากที่มันยังไม่เคยนอืมแต่มันมันได้เป็นบางครั้งนะอืมอืมมันมันได้ไม่ชัดเจนคือโยมอยากจะทราบวิธีปฏิบัติว่าเอ๊ะจะมีวิธีการอย่างไรให้จิตเนี่ยเข้าได้อย่างเงี้ยทุกครั้งอืมก็ทําไปบ่อยแหละทําไปบ่อย ทำได้บ่อยอะไรที่มันทำไม่บ่อยมันก็ชินนไงทํามันชินนี่แหละมันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วถ้ามันปวดมากๆแล้วมันมันไม่อยู่หรอกคําบริกรรมอ่ะคุณต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นแหละทีนี้ปัญญาเอาตัวรอดปัญญามาจากไหนมาจากสัญญาอ่าที่คุณเคยได้ยินได้ฟังสมมุติเราปวดหัวเข่ามากอย่างเงี้ยอ่าพุโทโธมันเอาไม่อยู่แล้วดังนั้นก็ตัวรู้แทนที่จะอยู่กับพุโทโธอยู่ลมไมยใจเอามารู้อยู่ตรงนี้อนั่งอยู่ตรงนี้อ่านี่แหละแยกเลยทีนี้อ่า อะไรเป็นเวทนาหนังเป็นเวทนาเนื้อเป็นเวทนาการดูเป็นเวทนาสภานนี้เขาเรียกวัตถุอืมอะไรเป็นทุกข์อืมเมื่อก่อนมานั่งมันไม่เป็นแต่ตอนนี้มันเป็นถามมาต่อไปเบี่ยงเบนความรู้สึกอย่างนั้นออ่าอยากไปให้มันหายเพราะมันจะปวดนานอืมปวดมากแล้วกันานด้วยอืมใช้ปัญญานี่เราเห็นท่านต้องการให้เห็นเห็นเห็นโทษของขันห้าแล้วเนีะ เนี่ยให้มันเห็นจริงจําเป็นจริงนี่แหละกองทุกข์อะทุกข์กทั้งแท่งอ่ะอืมรูปกับนานสสารกับพลังงานอยู่ทุกข์ทั้งแท่งละเนี่ยแต่ปานนั้นยังไม่เบื่อหน่ายใครกําหนดอ่ายังไม่อยากจากมันตายแล้วก็ยังอยากมาเกิดอยากจะได้มันอีกอ่าถาธาตุขันยังงั้นสวยงามอย่างนี้อย่างเงี้ยคือพิจารณาทั้งนั้นอืมมันทุกข์เห็นไหมอ่อถามว่าธาตุขันนี้เอาสุขอะไรมาให้อ่าอ่ เมื่อก่อนเราเราทำไมเราอยู่ได้อิริยบทมันบังทุกข์ให้ไม่เห็นชัดอ่ะอืมเราก็เลยไม่เบื่อหน่ายอืมไม่รู้จะไปหาสมุทัยตรงไหนแต่ตอนนี้เราทุกข์ละหาที่ที่นี่ความคิดที่หาสมุทัยนี่หละมรรคความเห็นชอบคิดชอบการงานชอบความเพียรชอบสติชอบแต่จะถึงสมาธิชอบเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งคุณอยู่ในมรรคแล้วแหละอืมพิจารณาไปอริยสัสี่ไม่ได้ไปที่มีที่ไหนอยู่ที่นี่อืมอ่า จะเห็นอริยสัจสี่เห็นในขณะนี้แหละทุกออ่มักจะหังคีเห็นอยู่เสี้ยวเดียวแค่นั้นแหละไม่ได้ไปเห็นนานหรอกมันจะสงบอ่าแต่มันเคยสงบแล้วมันก็รู้ทางของมัน่ะจะยิบยิบแยบๆมันก็เข้าออกมันก็หลุดไปแล้วแต่มันยากที่ตรงนี้แหละมันไม่ใช่แต่นั่นเป็นสภาวะมันพอปีติอิมเออบางครั้งก็เหมือน่อนลงแต่มันก็ขึ้นใหม่มันไม่ได้เข้าสู่ความสงบที่แท้จริง แต่มันเข้าสู่ความสงบที่แท้จริงค่ะตะบันนะมันจะไม่เป็นแบบนี้หรอกอื ม, อมแต่ตอนแรกอาจะต้องพิจารณาทุกอย่างนี่แหละเห็นไหมนะ่ะนั่งอยเฉยๆก็ทุก่อืมต้องตื่นมาก็ไปเรื่องนู้นเรื่องนี้อ่าหิวข้าวก็ทุกเอือพอไปกินมาแล้วก็ทุกเดี๋ยวเข้าห้องน้ําห้องท่าทุกทําการทํางานเหนื่อยทุกพอมานั่งหเฉยๆอ่ะไปยังทุกอีกออืมอืมแล้วทีนี้มันมีประโยชน์อะไรนักหนานี่เอ่าเราไปรักไปหลวงอะไรนักหนานี่ อ่าธาตุสี่ขันห้านี่อืมทาไมทีนี้อ่ามันมีประโยชน์อะไรน้อมเข้ามาสอนเนี่ยสภาว่าทุกทุกลุมเราขนาดไหนนี่นั่งอยู่เฉยยังทุกเลยอืมแล้วมันน่าไหมล่ะเอ่มันน่าที่จะอะไรเอาวันกับมันไหมนี่ไอ้รูปกับนามเนี่ยตำมาณนั้นแต่อย่าขยับอืมทู่กันอยู่ตรงนั้นแหละอืมอีนุ่งตรงนั่งอยู่ตรงนั้นแหละอืมนี่แหละทุกเกิดขึ้นเลยแหละอืมอ่า คำอริยสัจสีไม่มีความว่าสุขทุกข์หละอันดับหนึ่งพระุทธเจ้าให้มานั่งเพื่อให้เห็นทุกข์มันดีแล้วนี่เจอแล้วอริยสัจสี่เป็นข้อแรกที่เฉอแต่ทีที่พอเรามานั่งปุ๊บอยากเจอยวข้อที่สี่มันกไม่ใช่แหละนี่คือทางผ่านสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมแยกออกมา อ่าให้มันเห็นจริงตามเป็นจริงอย่างที่ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ยที่ได้ยินได้ฟังมาเอาให้มันเห็นจริงตามเป็นจริงอนั่นเป็นทฤษฎีอ่าถามว่าผิดไหมไม่ใช่ไม่ไม่ผิดถูกต้องอ่าไม่ใช่สัตว์บุคคล ต, ตัวตนเราเขาอ่ะแต่จิตเรายังไม่ยอมรับนั่นคือประเด็นอืมเราจะมาแก้ที่จิตที่จิตเรานี่ยอมรับจากสัญญาที่เคยได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะมาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนโอเคนั่นเป็นธรรมแท้ของท่านแต่มันปลอมของเรา พอรู้ทั้งรู้แต่มันไม่ละนี่ไม่ละไม่วางนี่เราก็พยายามที่มาน้อมเข้ามาสร้างเหตุเพื่อที่จะให้เห็นผลเหมือนท่านแต่ให้เห็นผลเหมือนท่านคุณจะต้องผ่านมาได้ไดทําแช้สัมผัสใจเดี๋ยวนี้มันยังไม่ได้เข้าสู่ใจมันยังเข้าเลยนี่มันแต่มันก็ดีนะมันผ่านเนื้อหนังเอ็นกระดูกของเราแล้วนี่ออืถ้าเราพิจารณาไปแยกแยะไปเมื่อถึงที่สุดมันจะเข้าสู่ใจอใจคือความเป็นกลางอืถ้าเข้าไปสู่ความเป็นกลางได้ก็กโอเคแหละอืนั่นคือความสงบ อืมแต่ยังเข้าสู่ความเป็นารม่มันจะต้องเป็นแบบนี้อืมแต่เราจะไปคาดว่าเออมันมันเคยสงบเคยเบามันไม่ได้สงบแทะถ้าเคยสงบแชะคุณจะไม่สงสัยอืมไม่สงสัยแต่เพียงแต่ว่าเออมันอ่าจิตมันจดจ่อบางทีมันก็จะเออเบาเนื้อเบาตัวปีติสุขอะไรกันน่ะระยะหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก็ปีตขึ้นมาเพราะมันยังไม่ถึงที่สุดอืมยังไม่ถึงที่สุดอ่าถ้าถึงที่สุดคุณจะไม่มีวิิกิจชาอ่านี่วรห้าเป็นเครื่องกั้นสมาธิอยู่ ออืถ้าคุณเข้าสู่สมาธิแท้คุณจะไม่มีวิจิกิจฉาความรังเลสงสัยคุณจะไม่มีอุทจจักกุจจะความฟุ้งซ่านลำพานใจเหมือนคุณจะไปสู่ห้วงอวกาศคุณต้องผ่านชั้นบรรยากาศให้ได้อืตราบใดที่ยังอยู่ในชั้นบรรยากาศคุณหนีไม่พ้นแรงน้ำถ่งของโลกอืถ้าคุณไปสู่ห้วงอวกาศที่แท้จริงแรงน้ำถ่งของโลกจะไม่มีผลกับคุณเหมือนกันถ้าเข้าไปสู่ความสงบที่แท้จริงสิ่งเล้าภายนอกจะไม่มีผลกับคุณอื เพราะฉะนั้นจะมาปวดแข้งปวดขาปวดนั่นปวดนี่มันไม่มีอ ม, มันไม่มีเพราะมันไม่มีขาอืมจิตมารวมแล้วทีนี้เมื่อก่อนมันอยู่ไหนล่ะจิตไม่รวมมันก็ไปอยู่กับตาหูจมูกลิ้นไก่พอมันรวมเข้าไปสู่ใจทีนีม้มันก็หนีจากตาหูจมูกลิ้นกก่ใจใจก็คื อ, อธรรมารวมมันจะอยู่ตรงกลางอ่อยู่ที่ใจความเป็นกลางกา ตรงนี้แหละทีนี้มันก็จะไม่ทุกข์กมันก็จะเห็นจริงตามเป็นจริงลราตายแล้วไม่สูญในขณะนั้นแม้แต่ลมหายใจยังไม่มีอืมเราก็ยืนยันแล้วว่าตายแล้วไม่สูญแล้วก็จะมีข้อมูลเปรียบเทียบแล้วแหละทีนี้ถ้าเราไม่สําคัญมันม่นหมายกับสรรพสิ่งก็ไม่มีสรรพสิ่งไหนสําคัญมันนหม่ยเราแต่เราดีนดิ้นอยู่ทีนี้มีแต่เราสําคัญมั่นหมายทั้งนั้นแหละนั่นต้นไม้นั่นคนนั่นหมูหมากาไก่คนน้องคนนี้ต่ไม่มีอะไรสําคัญนั่นหม่หรอก อืที่เราทุกข์อย่างนี้เพราะเราส่งออกจากกิจทั้งนั้นออกจากกิตทั้งนั้นไปสําคัญมั่นหมาไม่มีอะไรมาสําคัญมั่นหม่นั่นคือข้อมูลเปรียบเทียบน่ะที่จะเห็นชัดออกจากความสงบก็มาพิจารณาที่โอเป็นแบบนี้ออกจากความสงบก็ตรงนี้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาะที่จะล่อมจะล่อมจิตไม่ให้แสบใส่<ม>พยายามรักษาสมดุลของความเป็นกลางไว้ความ็นกลางจริงจริงแอดบาลปเทศหลายปีแล้วนั่นนะ ทุกชีวิตที่ล่นลนค้นหาได้จุดหมายอ่าใจในร่างกายกับไม่เจออทุกที่เกิดซ้ำเพราะใจนำพัำ่าเพลหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนั่นคือธรรมะนั่นนะเอะเพียงแต่เปลี่ยนในยะความเป็นต่างเดี๋ยวนี้ใจนําั่าเพะคืออาการของจิตอาการของใจอืเป็นคลื่ น, นหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขหาความเป็นกลางได้ก็เป็นสุขเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นกลางมันไม่ไปรักกับไปชังมันไม่ไปอดีตกับเป็นอนาคต เข้าไปสู่ความต่างๆให้ได้อย่าประมาณนั้นทนอ่ขันตีปรอขันตีปรามังตะปูติติขานะเออ่มีแต่ขันติความอดทนอดกั้นเท่านั้นที่จะเป็นธรรมที่จะเป็นตปะธรรมแผดเผากิเลนได้นอกจากนี้ไม่มีเลยอดทนอืมอดทนหลวงปู่ท่านกูบาอาจารย์ต่างๆเห็นไหมหลวงปู่จะหลวงจับัวเนั่งจนก้นแตกเป็นสลปเป็นอะไรหลวงปู่ชากับปาดโทษปาโทคือพุทธทัวเอาไม่อยู่แล้ว ปาดโทษปาดโทษถ้าแบบนั้นแ่ะคือไม่รู้จะพิจารณาอะไรแล้วแหละพิจารณายัางไงมันก็ไม่ลงอืมก็นั่งดูอย่างเดียวแล้วที่นี่มันจะหมดเมื่อไหร่ปาดโอทว่าดโทษเห็นไหมทุกของธาตุขันที่ทับถมอือนะจึงแบบนั้นนั่นคือทางเดินของพระอริยะนั่นคือทางเดินของพระเจ้าแต่ถ้าเราอยากเห็นผลของท่านกะก็โอเคก็ต้องตัดินกันอืมแต่เราทํางานได้ตเหล็กแต่หวังผลอุตสาหกรรมก็มันก็ไม่ไหวอืม ง <c oughs> ่ายจะเห็นแบบนั้นแต่ต้องให้มันสมดุลกันสมดุลกันแกถึงบอกว่าเออก็เอาแต่พอดีพอที่ได้ประยุกใช้กับวิถีชีวิตของเราลดการกระทบกระทั่งกันสะสมบุญบา ร, รมีให้อินทรีย์แก่ก้าไปมันก็ขยับไปเองแต่ทีนี้จะเอาเห็นผลที่ชัดเจนคุณี้ต้องลงทุนหน่อยนั่งสองชั่วโมงอย่าขยับเป็นอย่างน้อยอ่ะไม่ได้นั่งเอาเวลา <c oughs> นั่งเอาความสงบ แต่ยังไม่สงบก็จะนั่งต่อไปอืมนั่งต่อไปในทีนี้ก็จะเห็นหละทีนี้ในขณะทุกขเวทนาลุมเล้ามากมากอ่ะสองชั่วโมงสามชั่วโมงถ้ายังไม่ขยับคุณไม่นึกถึงพุทธเจ้าหรอกอที่พึ่งของคุณคือนาฬิกาเมื่อไรจะดังก็เช่ประมาณนั้นแหละลองดูใครก็ได้ไม่มีพุทธเจ้าเราเราไม่นึกถึงอืะ เมื่อไหร น, นาฬิกาจะดังลองดูก็จะเป็นแบบนั้นนแล้วจะเข้าใจอีกมุมหนึ่งของ e เท่ากับ mc s q u a r e ตัวเลงกำลังสองก่อมวลขนาดไหนแล้วเป็นพลังงานกดทับคุณเห็นไหมนาฬิกาเดินเป็นปกติเงื่อนเวลาเป็นปกติแต่ความรู้สึกเราไม่ผิดมันไม่เป็นปกติทำาไมมันช้าจนกมีโยมไปภาวนาที่วัดอ่ะซื้อนาฬิกาไปเองเลยไม่เชื่อนาฬิกาวัด ถามว่าวัดโกงเวลาเออบอกผมโอ้มันปวดมากแล้วมันมันช้ามันอะไรกันไม่รู้ซื้อมาเองเลยมาตัางอ้าเราก็บอกนิมนต์เอาเลยอยา่าเคลมแบบนั้นเนี่ยคือมาเกี่ยวเงินเออเวลาเป็นสากลนจากความรู้สึกเรานั่นติดปกติอืมแต่แบันไหนที่แบบรู้สึกจะโปร่งเบาดิรู้สึกเร็วนะแต่เนื้อ ก, การก็ปกติแหละแต่ความรู้สึกว่าเฮ้ยเร็วนะแป๊เดียวคุณมีความสุขไง มันเบาโปรง่งแต่วันไหนที่รู้สึกหงุดหงิดอึด อ, อัดขัดข้องวุ่นวายในรู้สึกในกายช้ามากอ่ะถ้ามาก <c oughs> ไปสิ้นเดียวนั้นแต่เวลาเป็นสาวคนความรู้สึกของคุณกันนี่แหละมันคอนโทรลมันตรงนี้เนี่ยตัวดีดดิน่นเบี่ยงอยู่นี้อย่างนี้อย่างนี้อดทนเราอดทนเราทำบ่อยๆก็จะมีนิสัยแหละมันเลยฝึกถ้าแบบว่าต้องการให้มันเห็นผลตั้งนาฬิกาเลยสองชั่วโมงอย่าขยับอย่าพลิกอย่าดิน่นอืม อย่า ด, ดิน้นเอ่อจะปวดจะเจ็บขนาดไหนก็คุนเอาทั้งง่วงลืมตาอย่าหลับตามันจะเป็นนิสัยมันจะเข้ารวังเอ่อทีนี้บางทีก็นั่งมันตั้งหลายชั่วโมองอะไรไปประมาณนี้ไม่รู้ว่านั่งหลับอืมหลังได้เพราะเด็กอยู่ในท้องเก้าเดือนก็อยู่แบบนี้แหละอืออือมจะไม่ใช่สิ่งอัศจรรย์นะพรพุทธเจ้าต้องการให้รู้ทุกมิตินั่นนะนะเอ่อรู้สึกเสียสมดุลหลงเหลี่ยคงเคงหนึ่งที่ลิบดาท่านก็นยังรู้เลยถ้ามีสติสัมปชัญญะ อืมช่างกิจเหมืนอนคนนั้นถึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอืมกระประกองไปแบบนั้นทนเอาอย่าขยับอย่าพลกอย่าดิ้นดิ้นดีมากหละแต่เพราะตอนที่ฟุง้งซ่านคุณก็พิจารณาอะไรไม่ได้ง่วงเหงาหานอนคุณก็พิจารณาอะไรไม่ได้แต่เป็นเน็บเจ็บปวดนี่นี่แหละวิปวัสนาอ่อนคุณยังพิจารณาอะไรเริ่มมาพิจารณาตอนนี้ในสภาวะธรรมที่เกิดสดๆร้อนๆด้านหน้าคุณเลยนี่แหละเวทนาทุกละคุณจะห่วง แต่เรื่องการเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องช่องแต่เริ่มเนี่มันก็ไม่เด่นเท่าตรงเนี้ยไม่เด่นความว่วงไม่มีเลยหายใจมันยังไม่อยากหายใจแรงเริงปวดอืมเนี่ยผมบนหัวก็ยังนึกว่ามันนําทุกข์มาให้มากด้วยนั่นแหะเส้นเล็กๆอือมันทุกโลขุมขนที่มันปวดมากลุ่มเราอยากขยับเนี่ยมันือวันนี้ไม่ไหวไม่เป็นเลยมันน่าเอาอีกนี่คือทางเดินเพราะอาริยสัจสี่ไม่มีคำว่าสุข มีแต่ทุกข์กับคำดับทุกข์อืมมันจะเป็นแบบนั้นือพิจารณาให้มันเห็นให้มันเข็ดให้มันหลาบนี่กองทุกข์ทั้งแท่งนี้อืมยังไม่อยากจากมันอ่าดูที่หลวงอืมนี่ให้มาพิจารณานี่แหละเป็นแหล่งที่จะเพาะปัญญาของเราปัญญาอในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงอืมเอ้นให้มันเห็นจริงดำเป็นจริงอ่าตีๆเป็นแบบไหนก็มันเห็นเอ่า เมือนให้มันเห็นอีกอแอย่าไปนั่นเขาทุกนี่เออเลยนี่ทุกนี่แหละสาคัญอดทนเอาไม่มีอะไรดีกว่านี่แต่อย่างที่บอกการทำขันตีปัลมะมตะโปตีตีขาขันตีแหละเป็นตะปาทำที่จะแผ่เผากิเลสได้นอกนั้นไม่มีถ้าปฏิบัติธรรมสะดวกขันตีบัญญัติไว้ทําไมล่ะอืมวิริยทุกขมะเจติคนจะร่วงทุกขเพราะความเพียรบัญญัติไว้ทําไมนะถ้ามันปฏิบัติธรรมได้สะดวกมันต้องลําบากลำบากแน่นอน เราก็ต้องฝืนแต่ว่าให้พอดีกับเราแต่เราคนลรค น, นบุญบารมีไม่เหมือนกันอืมแต่ก็ต้องฝืนล่ะฝืนอืโอเคนะนั่นแหละอดทนเอาทนเราอืมแต่เราก็นี่คือเป็นแนวทางระดับหนึ่งเพื่อที่จะสร้างภูมิอย่างน้อยถ้าไม่ได้อะไรคุณก็ยังจะได้ขันติบา ร, รมีความอดทนอดกัน้นได้สัจจะบา ร, รมีติดตามตัวเองข้ามภพข้ามชาติมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัย คุณไม่ได้สงสัยเลยพัญยาคนทัญยะทําไมท่านฟังธรรมปุ๊บท่านก็มารู้รู้ไม่มดบา ร, รมีท่านสะสมมาเหมือนเรานั่นแหละแต่ทีนี้เป็นบา ร, รมีที่เต็มเปี่ยมแล้วน่ะเผอิญเป็นบา ร, รมีของสาวกจะต้องฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งอ่าถ้าเป็นบา ร, รมีของพุทธะท่านตัดสรุปเองโดยชอบแล้วแหละบา ร, รมีขนาดไหนเกิดมาพยากรเจ้าชายศิทธัตถะแล้วก็รอเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชบา ร, รมีท่านขนาดนั้นอืมเอ่อ และพยาศากักดิคุณบุตรอย่างเนี้ยที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอก็ดูสินะ่ะบารมีขนาดไหนผู้จเจ้ามารอเทศอย่างพวกเรานีก็ต้องนิมนตมีมูพระมาแลเนะาะพระถึงมาเทศสนั้นบารมีท่านเยอะนะแค่แบบนั้นเนี่ยแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นก็สะสมแบบเรานี่แหละเก็บเล็กสะสมน้อยอืไว้เนี่ยเราก็มีบุญแล้วถ้าเราไม่เคยภาวานามาแต่ตังก่อน คุณไม่ได้เสียสละเวลามานั่งฟังธรรมที่นี่หรือไม่ได้เสียสละเวลาที่จะไปอยู่วัดปา่าตามจังยังหวัดคุณไปได้คุณมานั่งอยู่ตรงนี้แรงจูงใจมาจากไหนนั่นกระบาลบารมีคุณเคยทํามาแล้วมีเหตุมีนิสัยมีอุปนิสัยเดิมที่เคยทํามาอ่าอยากรู้ว่าออืมคุณสร้างบุญบารมีมามากน้อยแค่ไหนดูสถานภาพของคุณในปัจจุบันตอนนี้คุณกําลังเสวยผลจากอาดีตอยู่ แต่อยากรู้ว่าชาติหน้าพบหน้าคุณจะไปไหนดูพฤติกรรมของคุณในปัจจุบันนีอืมคุณกําลังสร้างเวทของอนาคตอืมไม่ต้องไปถามใครอะถามตัวเองนี่ออืม่าทานไว้ก็เ อ, อเกิดชาตินหน้าไม่อดไม่อยากรักษาศีลไว้ก็โอเคเกินมาก็เป็นปกติไม่พินที่การบ่าไว้เสียจริตภาวนาไว้ก็จะมีแรงจูงใจอ่ะที่อยากจะสร้างคงามความดีอ่าอนิสงส์การภาวนาทําไม่มีสติปัญญาเฉเลียวฉลาด ฉเฉลียวชลาดในที่นี้หมายถึง EQ ไม่ได้หมายถึง IQ อืมอ่า IQ มากอะ่ะ EQ จะพัฒนาตามยากเพราะมันมาติด e อีโก้อีโก้ยึดไว้นานกับอีเดียตอ่ะ ม, มองมุมไหนก็ถูกหมดแต่ก็ทุกอยู่อเอาไปามาเป็นคนดีที่โลกไม่ต้องการดีอยู่คนเดียวอย่า <c oughs> เป็นประมาณนั้นอ่าแต่ถ้า EQ ก็โอเคละ่ะรู้จักบริหารจาัด ก, การความรู้สึกได้ดีรู้จัก รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราจะทำอะไรเพื่ออะไรจะมีกรรมวิธียังไงให้มารู้เป้าหมายแต่ว่าใครจะเดือดร้อนกับการกระทำของเราไหมเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นอโอเคนะอ่าจะออจาสอบถามบางทีครับถ้าเกิดเวลาเราตรวจร้ อ, องเนี่ยอืมเราพิจารณาโดนไหสัญญาใช่ใช่ใช่ใช่ใช่สัญ ญ, ญาอืม เวลาพิจารณาเนี่ยตัวตัวปวดนี่ายมันมันหายใจตัยิ่งปวดมากถ้าไม่สงบเอาไปมาจนจับจุดไม่ได้พี่ปวดที่เรกกับปวดหัวเข่านะท่านนานแพิจารณาไปแล้วทีนี้ยิ่งคนนานเข้ายังไม่สงบที่ที่ไม่รู้ปวดนั้ปวดไปหมดแล้วปวดจนไม่มีปวดอะไรนั่นแหละทุกท่านนั่นแหละพิจารณาอย่นั้นปวดอะไรกันช่าง ว่าทำได้ก็ดีสิก็ยาบเป็นแบบนั้นแหละแต่อืมอืมอ ม, อมถ้ามันอยู่กับพุทโธได้ก็อยู่กับพุทโธไปอยู่กับคำบริกรรมได้อยู่ไปแต่ที่พูดนี่หมายถึงว่าถ้ามันปวดมากคำบริกรร ม, มไม่อยู่ มันปวดมากมันทุรนทุนทนรายกับคำบริกรรมกรเสือกกระสนเป็นปริพเทศกังวลวุ่นวายแล้วแหละทีนี้คุณริ้งเลยตรงนี้แล้วปวดที่ไหนชัดคุณก็ไปอยู่ตรงนั้นอืมอืมอืมห้มอืมอืมอืม่ืมอืมอืมอืมอมอืมอืมอืมออนมอืมอออมอืมมอมอมมืออ กลับให้มันเต็มอีก ม, มันตื่นมาไปทํางานเออประคองให้มันดีเือะอือ อ, อ, อกมาก่อนก็เหมือนเรานอนหลับคุณจะหลับลึกแค่ไหนก็ปล่อยมันเถอะเดี๋ยวมันก็ตื่นมันอยู่ในใจรักอืมถ้าตื่นมาแล้วนะค่อยว่ากันอีกทีจะทํางานอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ทีนี้พอมันออกเกีกบความสงบใหม่ๆปุ๊บคุณก็จะโหยหาตัวกฎการนี้ความสงบนะที่มันสบาย แล้วก็อยากเข้าไปสู่ความสงบอี ก, กโอเคทีนี้ท่านก็บอกมันมันเป็นของเล่นใหม่ก็เอาไปอ่าแต่ทีนี้พอมันรู้แล้วชัดเจนแล้วคือไม่สงสัยในเรื่องความสงบแล้วอ่าต่อไปก็อย่าไปสนคล้ายๆว่าอย่าไปติดอยู่ตรงนี้มากก็เข้าไปพอมีกําลังกําาลังอ่บางทีก็ไม่ถึงขนาดดนลึกมากอ่ะแค่แวแ บ, บเข้าไปนะออกมาก็เริ่มมาพิจารณาจาา็เอาสัญญาทั้งนั้นมาแปลงให้เป็นบัญญัติของตัวเองนะ่เจน่าทํำไมพลาดขันนี้แหละ อ่าคือทำลายตัวเองให้ได้แต่ถ้าไม่มีตัวเราสัามันจบที่มันทุกข์อยู่นี้เพราะมันมีตัวเรามันก็เป็นแบบนั้นนะ่ะแต่ทีนี้จะพิจารณาให้เบื่อหน่ายใครกำหนดในตัวเราอ่ามันก็จะต้องอาศัยกำลังของจิตเพราจิตเป็นตัวยึดเป็นตัวหมายอ่าแต่ในนี้จิตอยู่ไหนยังไม่รู้เหมือนเสื้อเราโสกปกหาเสื้อให้เจอก่อนแล้วหาจุดมันโสกปกความสะอาดเกิดขึ้นตรงไหนโสกปกหายไปจากตรงไหนก็สะอาดตรงนั้นน่ย นี่เหมือนกันน่ะกิเลสหายไปก็เป็นธรรมล่ะอ่ามูวห์ายไปกับฉลาดละอืมกัที่เดียวกันเลยมันซ้อนๆกันอยู่นี่อืมบางครั้องจจอ่ะการจดที่อาช่างหุ่อืมอืมทาวก็ตามลมหาใจอืมมันลองจะใช้อะไรก็ได้ลไแล้วแล้วแล้ล้วแต่เราถนัดบา ร, รมีของใครของมันอุปนิสัยของใครของมันแต่ทำแล้วมันรู้สึกมันสบายเอาตรงนั้น อือืมอืมเนี่ยตรงไหนนิ่งเอาตรงนั้นแหละอือือถ้ามันเคยได้ตรงไหนมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละทางเคยเที่ยวอืมอืมเงี้งดีแล้วยังไฟทำากันเนาะ